อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือแป6ร้อยแปดสิบหกหนึ่งิีถูกโจลรักจีวอนหรือจีวอนหายสองพิกษณีผู้มีเหตุขัดข้องสามพิกษณีมิกลจรินสี่พิกษณีต้นบัญญัติสิกขาผลที่หนึ่งจบ